อเจริญพรคณรอาจารย์นักศึกษานิสิตนักศึกษาและญาติโยมสาธุชนทุกท่านก่อนหนึ่งก็ขออนุมโมทนาที่ทางวิราลงกรารมาวิทยาลัยวิศวกรและบัญชีเนี่ยได้เป็นผู้จัดโครงการดีกันนักขึ้นมาต่อเนื่องเปนปีที่ห้าแล้วคำว่าดีกันเนี่ย มันมีความหมายว่าเป็นเพื่อนกั น, น, นที่เคยโกรธกันนะพอเราบอกว่าดีกันนะก็แปลกลับมาเป็นเพื่อนกันและเมื่อเป็นเพื่อนกันแล้วเนี่ยมันก็จะนําไปสู่การทำความดีต่อกันนะคําว่าเพื่อนเนี่ยมาจากคําว่ามิตรนะแล้วลกิกับไมตรีเนี่ยมันก็มาจากศัพท์เียวกัน เมื่อรามีความเป็นมิตรเราก็มีน้ําใจในการติดต่อกันก็คือมีความเอื้อเฟื้อความดีเนี่ยลักษณะเด่นหรือว่าความดีที่โดดเด่นเนี่ยก็คือความมีน้ําใจธรรมดาความดีเนี่ยมันมีหลายอย่างนะความดีเนี่ยความแข็งมั่นคงก็เป็นความดีความซื่อสัตย์จริงก็เป็นความดีความมีจิตใจมั่นคงนะ ไม่เบียเบียนใครก็เป็นความดีแต่ในบรรดาความดีทั้งปวงเนี่ยที่โดดเด่นที่กระทบใจคนมากก็คือความมีน้ำใจความเอื้อเฟื้อความเผื่อแผ่ในท้งด้วยศาสนาเนี่ยก็จะส่งเสริมความดีข้อ น, นี้เนี่ยเป็นเบื้องต้นเลยคือการให้ทาน ธรรม า, านเนี่ยมัเป็นคุณธรรมพื้นฐานในพุทธศาสนาเป็นธรรมะข้อแรกนในบรรดหาหมดธรรมทั้งหลายเช่นการทําบุญนะเราก็เริ่มต้นด้วยทานตามปฏิสีและประภาวนาทษสกิราชธรรมนะก็เริ่มปฏิทานบา ร, ร, รมีสิทิ์ที่ทําให้บุคคลเป็นพุทธเจ้าก็เริ่มปฏิทานนับทานก็คือการเอื้อเฟื้อเกิดแท่แบ่งปันไม่วัตถุ เวลาพูดถึงความมีน้ำใจในความเพ้อเพ้อเถือแผ่เนี่ยเรามาากักจะคิดว่ามันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ที่มีวุฒิภาวะผ่านการศึกษามาก็จะมีความเพ้อเพ้อเถื่อแผ่แต่ที่จริงเนี่ยถ้าเราสังเกตเนี่ยความมีน้ําใจความเพ้อเพ้อเถือแผ่เนี่ยเด็กเนี่ย ก็มีการอย่างทั่วไปแล้วาก็มีการแสดงความเพื่อเรื้อเพื่ อ, อแทนเนะี่ยแตกต่างกันไปเด็กคนหนึ่งเนี่ยชื่อปูนะน้องปูนอายุห้าขวบโรงเรียนอุบาลของน้องปูนเขาก็จะมีการติดบอร์ดเด็กคนไหนทำความดีก็จะ ประกาศหรือติดชื่อเด็กคนนั้นบนกระดานพร้อมจะให้ดาวเด็กบางคนก็มีหลายดาวเพราะว่าทำความดูมาหลายอย่างแต่ว่าน้องปูนเนี่ยมีดาวแค่สองดาวแม่มาเห็นเนี่ยก็ไม่สบายใจว่าทำไมลูกของตัวเองเนี่ยมีดาวแค่นี้เองนะสองดวงก็ไปถามครู ว่าทำไมลูกของตัวคือน้องปูนเนี่ยมีดาวแค่สองดวงครูตอบว่าที่จริงเนี่ยน้องปูนเนี่ยได้ดาวเยอะมากแต่น้องปูนเนี่ยเห็นเพื่อนหลายคนเนี่ยเขาไม่ได้ดาวเลยก็เลยเกลือนแผ่นดาวเกลื่อนเงนให้คนอื่นตัวเองก็เลยแค่สองดวงน้องปูนเนี่ยนะเป็นคนมีน้าใจนะ ใ, ใครอยากจะมีดาวหลายดาวแต่น้องปูเนี่ยนะเป็นห่วงเพื่อนก็เลื่อแถเพื่อนด้วยการแบ่งดาวให้ตัวเองมีแค่สอ ง, งม้หลกหนึ่งก็ไม่เป็นไรนะน้องโยเป็นเด็กชายที่เจ็ดขวบวันหนึ่งป้าชวนน้องโยซ้อนมอตอรไซเข้าไปในเมืองนักความปฐมแล้วก็เปิดอุัติเหตุ รถชนมอตรไซคั้งยับเยินป้าเนี่ยแขงหนักไปข้างหนึ่งส่วนน้องโยเนี่ยขาเล็กไปหนึ่งข้างทั้งสองคนเนี่ยถูกนำตัวพาส่โรงพยาบาลขณะที่อยู่บนรถียาบาลเนี่ยปามีรอ้องโอบโอยแต่น้องโยไม่ร้องเลยเมื่อไปถึงห้องผ่าตัด หมอผ่าตัดเสร็จหมอก็ถามน้องโยว่ว่าทำไมน้องโยวไม่ร้องเลยป้านี่ร้องตลอดน้องโยนตอบสั้นๆว่าผมกลัวป้าเสียใจครับน้องโย ว, ว่าทํานงโยร้องเนี่ยนะป้านี่ก็จะเป็นทุกข์ยิ่งกว่าเดิม ป้าจะทิ้งเสียใจว่าทาให้น้องโยนเนี่ยมาทุกข์ทรมานตกประกาศลงบาทน้องโยนเนี่ยคิดถึงป้าไม่อให้ป้าเสียใจก็เลยสะกดกันนะ้นความเจ็บปวดเอาไว้ขาเลียกเป็นข้า้นะแต่ไม่ร้องเลยอันนี้แสดงถึงความมีน้ำใจคุณธรรมของน้องโยนยซึ่งสแสดงออกมาด้วยการที่จะไม่ ร้องควนคราความทุกข์ของตัวเองการแต่เรื่องเล็กเมื่อนึกถึงความทุกข์ของป้าก็าจะพาะว่าความดีมีคุณธรรมเนี่ยหรือโดวยเพราความน้งใจเนี่ยเด็กเนี่ยเขามีเขาแสงให้เราเห็ น, นโดยที่เขาไม่รู้ด้วยซ้อพยาถามว่าใครสอนเด็กเหล่านี้ จริงๆเนี่ยความดีเนี่ยมันไม่ต้องสอนเลยนะอาตมาเชื่อความดีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีอยู่ในใจเราตั้งแต่เกิดก็ว่าได้โดยเพราะความมีน้ําใจมันมาตั้งแต่เกิดหรือมาตั้งแต่รู้ความไม่ต้องรู้ความว่าเด็กทารนะแบบกเนี่ยนะแบรบอสเนี่ยเวลาเห็นหรือได้ยินเด็กทารกเกิดกัรร้อง ร้องไห้เขาจะมีความไม่สบายใจนะแล้วเขาจะร้องไห้เหมือนกับว่าเขารู้สึกทุกข์ไปกับเด็กกล่าวนั้นและอยากจะช่วยแต่เด็กทารกเนี่ยช่วยไม่เป็นหรแต่เขามีความอยากจะช่วยเมื่อเห็นเพื่อนร้องถ้าเด็กเนี่ยอายุ ป, ประมาณ12เดือนสเดือนก็คือขวบ ก, กับอีกสองเดือนเนี่ย เด็กเหล่านี้เนี่ยจะรู้ความักเขาจะไม่ร้องอย่างเดียวเขาจะหาทางช่วยบรรเทาความทุกข์ของเพื่อนถ้าเด็กโตก ว, ว่า น, นั้นจะร้องไห้น้อยลงแล้วก็จะเริ่มหาหนทางว่าจะช่วยเด็กช่วยเพื่อนที่กำลังร้องผมร้องไห้อย่างไรถามว่าใครสอนไม่มีใครสอนนะมันเป็นความรู้สึกที่มีในใจที่อยากจะช่วยคนที่ ทุกยากเดือดร้อนอย่าว่าแต่คนเลยนะสัตว์เนี่ยมันก็มีคุณธรรมมันมีนัําใจเขาเคยทดลองนะหนูเนี่ยนะหนูเนี่ยเขาทดลองมันคือมันฉลาดตนกรท่านรู้ว่าถ้ามันขยับนะหรือว่าไปแตะกลุ่มเนี่ยอาหารจะไหลามาจะเป็นถั่วหรือจะเป็นผลไม้ก็าตาม แต่ว่าทุกครั้งที่มันแตะปุ่มเนี่ยได้อาหารจะจริง น, นะแต่ว่าเพื่อนในในรังนะในกรงนะที่ติดกันเนี่ยมันจะถูกชอ็อตนะเขาทดลองนะถ้าหนูตัวนี้เนี่ยกดปุ่มเพื่อกินอาหารเนี่ยไอ้ตัวอื่นเนี่ยโดนไฟชอ็อตหนูไปทำยังไงทราบไห ดูมันไม่กดดูมันไม่กดมายอมกดเพราะมันรู้ว่าถ้ามันกดแล้วเนี่ยเพื่อนซึ่งอาจจะไม่เคยคุยกันลเลยนะโดนไฟช็อตเขาเคยทําการทดลองแบบนี้เนี่ยกับลิงนะมีลิงอยู่หกตัวแล้วลิงเนี่ยเวลาไปกดคำโยกเนี่ยเพื่อเอาอาหารเนี่ยไอ้ที่เหลือเนี่ยในกรงเนี่ยโดนไฟช็อตสิงกันสี่ตัวเนี่ยนะ สี่ตัวแรกเนี่ยไม่กดไม่ไม่โยอาหารเนี่ยหนึ่งวันตัวที่ห้าเนี่ยไม่โยอาหารเนี่ยห้าวันแต่มีตัวนึงนะตัวที่หกเนี่ยมันไม่โยอาหารเลยสิบสองวันย้อนอดนะอดเพราะอะไรเพราะรู้ว่าถ้ามันมีอาหารกินนะคเคลื่อนเดือดร้อนนี่เราเรียกว่าน้ํำใจมั้ยนี่เรียกว่าความดีมั้ยแล้วถามว่าใครสอน ช้างในเวลามัมีช้างตงัวนี้มันป่วยมันบาดเจ็บมันพิ ก, การเดินเลือกไมได้ช้างตัวที่เหลือนลในในฝูงเนี้ก็จะคอยพยุงมันแม้ว่ามันจะทําให้เดินช้าลงซึ่งมายถึงการที่มีอาหารน้อยลงและมีอันตรายมากขึ้นแต่ช้างกช่วยพยุงเพื่อนที่บาดเจ็บเนี่ยเพื่อนที่พิการเนี่ย เป็นเวลาถึงสิบปนะีดูแลจนตายสิบปนะีถามมาใครสอนไม่มีแต่ว่ามันมีในสสงทัต ย, ยาเพราะฉะนั้นเนี่ยตมาถึงเชื่อว่าสัตว์เนี่ยนะมันมีคุณธรรมและนภาษาอะไรกับมนุษย์นะซึ่งย่อมมีคุณธรรมเช่นเดียวกันมาแต้งนเกิดมนุษย์เราเนี่ยกว่าจะรู้เนื้อรู้ตัวว่าตัเอเป็นใครนะใช้เวลา18เดือน เวลาประจบไปสองเนี่ยตอนหน้าข้างหน้าข้างหน้าเด็กขาล้เด็กอายุสิบแปเดือนเนี่ยรือขวบครึ่งถึงจะรู้ว่าไอ้ข้างหน้าเนี่ยมันคือเงาของตัวอันนี้ภาษาพิษศาสตร์วิทยาเด็กเริ่มมีความสามารถรู้ตัวเซลฟ์เออวเนส18เดือนแต่คุณธรรมความมีแม่ตาเนี่ยมันมาก่อนอย่างที่ทมาพูดเนี่ยเด็กขารกเนี่ยก็เริ่มมีความเห็นเห็นใจเพื่อที่เดือดร้อนสิบสองเดือนเนี่ย สิบสี่เดือนก็เริ่มที่จะหาทางขนะวนขวายที่จะช่วยเขาสัตว์ที่รู้ตัวอ e mm ีเชว์แวงก์เนสมีนี่ดินชนิดค mm hmm. อริลลาสินตันซีอุลังตังแล้วก็ปราโลมานะม้ายังทำไม่ได้นะครับแต่สัตว์เหล่านี้เนี่ยแล้วก็สัตว์อื่นๆมันมีความเมตตามีความกตัอญูในเวลาที่เราคุณธรรมเนี่ย นะโดยเพราะความมีน้ําใจเนี่ยมันมีมาตั้งแต่เกิดนะหรือเมื่อเราเริ่มรู้ความเพราะฉะนั้นเนี่ยตามาทิพว่าการส่งเสริมคุณธรรมความดีเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ต้องสอนมันไม่ใช่เรื่องต้องปลูกฝังแต่มันเป็นสิ่งที่คอยส่งเสริมคอยรักษาเอาไว้นะเวลาพูกปลูกฝังหรือหรือว่าสอ น, นเนี่ยหมายความว่าของเดิมไม่มี เราก็เลยต้องสอนให้มันมีเลยต้องปลูกฝังให้มันมีแต่ที่จริงแล้วเนี่ยความนั่นใจความเอื้อเฟื้อานมันติดกับเรามาตั้งแต่เกิดเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ควรทำานีไม่ใช่สอนไม่ใช่ปลูกฝังแต่เป็นการปลุกให้ตื่นหรือว่าส่งเสริมให้งอกงามหรืออย่างน้อยๆเยก็ไม่บัญทร น, นะตรงเนี้ยนะ การเลี้ยงดูเป็นสิ่งสำคัญเพราะถ้าพ่อแม่เนี่ยเลี้ยงดูลูกด้วยการบั่นทอนคุณธรรมของลูกลูกมีนิสัยใจคอเอือ้อเกื่อนแก่แม่ก็ว่าลูกว่าโง่ทํานไะมไปให้แคาทําไมทำไ ม, มไม่เก็บเอาไว้อย่างนี้เนี่ยมันก็จะไปบั่นทอนคุณธรรมความรรมั่นใจของลูกแต่ถ้าพ่อแม่เห็นนะแล้วก็ส่งเส ร, ริมว่าเออลูกมีน้ําใจหรือ พ่อแม่ไม่้ทำอะไรเลยขอเพียงแต่ได้ไป บ, บังคอบคุณธรรมข้อนี้เนี่ยเด็กเขาก็จะสามารถพัฒนาขึ้นมาเองจากที่นม่อยู่แล้วเขาจะงอกงานมากขึ้นและเราสามารถทำให้งองงานได้มากขึ้นถ้าเห็นแบบให่วิธีวิธีเรียบปลูกคุณธรรมให้ตื่นหรือว่าเสริมสร้างพลังคุณธรรมให้งอกงานมันมีได้หลายวิธีวิธีที่สำคัญคือการได้เห็นแบบย่าง อย่างที่เราทําคลิปวิดีโอเนี่ยนะเรื่องความดีความมีน้ำใจเนี่ยมันช่วยปลูกพลังในความดีในใจนะให้ให้กล้องงานจนสามารถโฆษณาความมีตัวอาตมาไม่ไปดิสเซดนะว่าคนรักมีความมีแกตัวอยู่จริงของคนรักเนี่ยจะเปลี่ยนเหมือนกับว่ามันมีสองชั้นชั้นนอกคือชั้นที่หนาเรียกว่าเป็นความแกตัวแต่ชั้นในเนี่ยเป็นชั้นแห่งคุณธรรม แต่ว่าไอ้ความมีแก่ตัวนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราได้ไปส่งเสริมมันเนี่ยมันก็จะบางนะในทางตรงข้ามถ้เราส่งเสริมคุณธรรมในส่วนลึกเนี่ยคุณธรรมก็จะค่อยๆงอกงามเหมือนกับต้นกล้าเนี่ยที่มันสามารถจะโผล่พ้นดินดินจะหนาดินจะแข็งเนี่ยนะแต่ถ้าเราลดน้ำเปบ่อยลดน้ำเป็นบ่อ ย, อยต้นกล้ามันก็จะค่อยๆแทงคึ้นดินออกมา ความดีคุณธรรมก็เหมือนกันนะมาอยู่ในส่วนลึกของใจแต่ถ้าเราส่งเสริมนะมันก็จะค่อยๆเจริญงอกงามจนสามารถที่จะอยู่เหนือหรือเอาชนะความแก่ตัวได้และวิธีนี้ก็คือการที่ได้เห็นแบบอย่างแบบอย่างจากพ่อแม่เห็นแบบอย่างจากครูที่มีคุณธรรมซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นความเพื่อสู้สู้แทน อาจจะเป็นความซื่อสัตย์สุสจริตนะความอดทนความขยันมันก็เป็นสิ่งที่กระตุ้นพลังความดีส่วนนี้ได้แต่ที่มีพลังมากคือความดีที่เราได้เห็นผู้อื่นกระทาเมื่อเห็นผู้อื่นเขาทำความดีเราก็เกิดพลังอยากจะทาความดีบ้างนะอันนี้อัิบาที่ว่าเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นอย่างแรกเลยไม่ใช่แค่็นกับตาแต่บางทีแค่ได้ยิน ได้อ่านเราก็อยากจะทําความดีฮนะอันเนี้ยท่านเชือนน่อว่าหลายคนที่อ่าน<ม>ความดีความเสียสละของผู้คนทางเฟซบุ o กนะทางเว็บไซต์หรือว่าจากลนยเนี่ยพอเราได้อ่านเนะี่ยหรือยิ่งเห็นภาพเรารู้สึกความดีในใจแล้วนะี่มันจะมันจะมีพลังขึ้นเราอยากจะทความดีด้วยเพราะฉนั้นแบบอย่างของพ่อแม่แ อ, องครูบาอาจารย์หรือแบบอย่างที่เราเห็นทางสนะื่อเนี่ย มันช่วยในาการปลุกพลังความดีได้ประการที่สองก็คือมีคนอื่นทําความดีกับเราเวลามีใครทําความดีกับเราเนี่ยนะจิตใจเราเนี่ยที่อาจจะเคยกรรเครย่อาจจะเคยโมโหโฉนเฉียวเนี่ยพอมีคนทําความดีกับเราเนี่ยใจเราอ่อนเลยนะแล้วเราอยากทําทความดีกลับคืนให้กับคนที่เขาทํานี้กับเรา มีบางคนนะเขาว่าเข า, ขาเขคยเล่าแล้วว่ามีปัญหากับเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านนี่ ก, กาลังก่อสร้างแล้วคนงานก่อสร้างก็ชอบทิ้งพยาทิ้งเศษพลาสติกลงไปแล้วตอน้นก็ ม, า, มากองที่สนามย่าบ้านเขาเขาไม่พอใจเขาก็ไปโวยเขากไปว่าคนงานก็ไม่ได้ผลบางทีครูจะเรียกตำรวจมาจัด ก, การมันก็กลับทิ้งลงมามากขึ้นเขาไปปรึกษาพเพื่อนว่าจะทำยังไงดีเพื่อนแนะนําว่า ทำไมเนี่ยไม่ทำดีกับเขาล่ะถึงเวลาหน้าเศการปีใหม่สงการานต์ก็เอาของไปให้เขาสนะิจะไม่เชื่อนะแต่ว่าก็ลองทำดูนะถึงปีใหม่ก็เอาของทานไปให้เอาขนมไปให้ถึงหน้าเทศกาลตุ๊จีนก็มีขนมมีเครื่องดื่มก็ใครเอาไปแบ่งให้ทำงานสงการานต์ก็เหมือนกันถ้าเขายังไม่กลับบ้านเนี่ยเขาทำงานก็เอาไปให้เจอกันหน้าป่าซอยก็พักพูดจาด้วยรอยยิ้ม ปรากฏว่าพอรู้จักกันเป็นเพื่อนแบบนะั้นไอ้ขยไะไอ้เศษผลไม้หรือว่าถุงพลาสติกที่เกิดขึ้นมานหายไนปะอันนี้มันก็แสดงให้เห็นว่อนนะมันคือสิ่งที่สิ่งที่เขาทําเนี่ยการทําความดีการให้ขนมการยินเยี่ยนจสายการทักทายเนี่ยมันไปปลูกพลงความดีอดของคนยาก่อสร้าไอ้ที่เคยดเหตแต่ตัวเนี่ยมันก็เลยให้ใหกับความดี อย่างน้นยๆเราเกรงใจเพื่อเนเขาช่วยเราเขาดูแลเราเขาเอื้อเฟื้อเราทำไมเราต้องไปทิ้งขยะอย่างนั้นกับเขาความดีไม่เสียเลยถ้าความดีมันช่วยเปลี่ยนความดีของเร า, าจะเปลี่ยนแปลงจิตใจให้เขาเนี่ยการเป็นนพื่เอื้อเฟือ้อมีเรื่องเล่าว่าเนี่ยที่เมืองเบอร์เลอร์มีวัดไทยอาตมากเปิดใจวัดนี้นะวัดไทยในเบอร์เลอร์ก็ตั้งอยู่ในย่ายชนชนุมชน และทุกสาวาทิตเนี่ยก็จะมีคนไทยเนี่ยไปที่วัดไทยไปทำบุญและถ้าเป็นหน้าเทศกาลเช่นครีใหม่สงการเนี่ยก็จะไปดงเยอะแล้วก็มีการออกร้านรถยนต์ติดขัดจราจรติดขัดมีส่งเสียงดังฝรั่งทันงนั้นเนี่ยเขาไม่พอใจเขาก็เริ่มรวมกลุ่มกันเพื่อที่จะฟ้องต่อเทศบาล บางคนเสนอให้ขับให้วัดไทยนยไปอยู่ที่อืนอ่นอาจารย์สุรักษ์สุ ร, รักษ์เนี่ยนะช่างคนคุ้นเคยกับวัดเจ้าวาดที่วัดไทยเป็นเบื้อเน่แล้วก็ได้รู้จักกับเพื่อนบางคนที่เป็นคนที่อาศัยอยู่ในชุมชนนั้นเนี่ยคือมัมีวัดแซนเนี่ยติดกันเลยทนะําาคุ้นกบเจ่าว่าวัดเซงกับวัดไทยเนี่ยอยู่ห่างกันแค่20เมตรสาิเมตรเนีอาจารย์สุรักษ์ก็รู้จับเจ่าวาดเสงก็รู้ว่าคนคนหลังเนี่ยครับนั่นเริ่มจะเคลื่อนไหวเพื่อ ขับไล่หรือฟ้องวัดไทยอาจารย์สุรักษ์ก็เลยไปแนะนำเจ้าวาว่าเวลามีออกร้านอาหารไทยเนะี่ยชวนคนแถวนั้นเนี่ยมาร่วมกินกินฟรีนะมาเที่ยววัดไทยมาดูต่ อ, อยงูงนะมากินอาหารไทยเจ้าว่าก็ทำตามนะเพราว่าพอฝรั่งเราเนะี่ย มาได้กินอาหารไทยนะได้รับน้ำใจในตใจกับคนไทยเนี่ยไอ้ความสุขเป็นปฏิปักเปลี่ยนเนี่ยกลับมากลับมาเป็นเพื่อนและความพยายามที่จะขับไล่วัดไทยออกไปเนี่ยก็เงียบหายไปอันนี้แหละ ว, ว่าความดีในใจของของฝรัง่งแถวนั้นเนี่ยมันถูกปลุกขึ้นมาเพราะอะไรเพราะได้รับความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ได้รับมันเป็นนิสิตจากเจ้าวาดวัฒไทยจากคนไทย นั้อันนี้เป็นเป็นวิธีหนึ่งนะเราจะปลูกการทําความดีของเราเนี่ยมันสามารถจะรปลูกพลังแห่งความดีของเขาจากเดินที่เขาตีความมีแต่ตัวหรือจากการที่ที่มีแตตัวเองหรือว่ามีความโกรธมีความไม่พอใจความดีของเราเนี่ยมันจะไปเหมือนกับน้ําเย็นที่ไปดับความรุ่มร้อนในใจและไปให้พลังกับความมีน้ำใจที้คุดขึ้นมาเอาชนะความมีแตัว ในวิธีที่ผู้จัดจิตตานาเนี่ยตรงเอาชนะความชั่วด้วยความดีเอาชนะความโกดด้วยความเติบโตนะความดีของเราสามารถจะไปปลุกพลังแห่งความดีในใจเขาจนสามารถเอาชนะความโกดความเกลียดหรือว่าความเห็ตัวได้คําชมก็เหมือนกันนะเวลาใครทำความดีแล้วเราชมเนี่ยนะเราทราบนะคว่าเขาจะเกิดแรงบันดาลใจที่อยากทความดีมากขึ้น เคยมีนักเรียนนะพวกวัยรุ่นนะพวกแก๊งซามูไรเราคงทราบวะในในเมืองหลายเมืองใหญ่มจะมีแก๊งวัยรุ่นะบางทีก็เรียกตัวเป็นแก๊งซามูไรที่คอยตีแล้วคอยลบกวนชาวบ้านมีคราวนี้เนี่ยหน่วยงาเที่อาตาลาเป็นเป็นกรรมการเดือกหาพฤติการจับค่ายสุขไชยที่ปัญญาก็เอาผลกดัให เยาวชนหรือว่าใครก็ตามนมาทำค่ายเพื่อเรียนรู้ร่วมกันและทำความดีคนที่จัดค่ายนี้เนี่ยซึ่งมีหลายคนเนี่ยมีค่ายหลายค่ายเนี่ยก็ก็เอาเพื่อนเขาที่เคยเป็นผู้อัิษภาเนี่ยมาเข้าค่ายแล้วก็มีปัญหาเกิดขึ้นคือว่าคนที่มาเข้าค่ายเนี่ยมันมีสองกลุ่มที่เป็นอริยกัน พอรู้ว่ามีผู้อดีตมาฆ่าเงี้ี่ยฝ่ายครงข้ามก็เตรียมนี่นะเตรียมสลับมือเตรียมปืนเพราะกลัวว่าจะมีการทํ า, าร้ายกันชาวบ้านก็กลัวนะเพราะชาวบ้านรู้จักพวกวกลุ่มวัยรุ่นเหล่านี้ดีแต่เราอย่าที่รับเข้ายฆ่าสามวันไม่มีอะไรเกิดขึ้นวิดังนี้นะแต่ว่าไม่มีชาวบ้านประชงนะว่าเออเด็กวัยรุ่นนีมันดีนะ มีคนนึ่งเนี่ยน่าจะคิดว่าหลายคนเนึ่ยเขารู้สึกเลยนะเขาปากปลื้มากนะว่ามีคนมาชมเขาตัง้งผีรั้งชาติคืมีใครชมอยู่ก็มด่าแต่ตอนนี้เนี่ยได้รับคำชมเกิดกําลังใจและค่ายนี่แหละมันเป็นเรื่อนไทยเองเพราะทุกคนเนี่ยนอกจากมาเข้าค่ายด้วยกันแล้วจะต้องทําความดีเป็นจิตอาสาแล้วก็สมาชิกในค่ายก็ตกลงกันว่าจะไปตั้งด่านจะไปช่วยตารวจตั้งด่าน เพื่อป้องกันเกิดอุบัติเหตุเมาแล้วขับเนะปีใหม่ตำรวจนี่งงนะไอ้วัยรุ่นนี่มันเกิดเป็นอาลิตต์ตำรวจนะแต่ตอนนี้มันเป็นจิตอาสาพุ่งตำรวจก็ชมแนละดีใจเขาก็ชมชาว บ, บ้านรักประหลาดเนนะี่ยเห็นเด็กเหล่านี้เนี่ยมาทําความดีมาเป็นจิตอาสาเขาก็ชมนะไอ้วัยรุ่นหลายคนเนี่ยรู้สึกเลยนะว่ามีกําลังใจมาทำความดี แล้วก็ น, นิสายกเปลี่ยนจากที่เคยเป็นอันธพาลคอยเกเรเกเรไล่เตะเกะันนะก็เริ่มกลับมาทําความดีทําความดีเพราะมีคนชมนะการชมเนี่ยนะมันทําให้ค น, นมีกำลังใจการชมเป็ น, นการกระตุ้นพลังความดีในใจหลาคนให้เจริญง่ำนาถหลายคนเนี่ยไม่อยากที่เราเห็นพวกเกเรเนยเพราะเขาคิดว่าเขาทําความดีไม่ได้นะ ทำความดีไม่ขึ้นเขารู้สึกว่าเขาเด่นทางดีไม่ได้ก็เด่นทางชั่วก็แล้วกันธรรมชาติคนเรามีปมคื่อนพระพุทธเจ้าคนเรามีปมเขือนะถ้ามันเด่นทางดีไม่ได้ก็เด่นทางชั่วและที่เด่นทางดีไม่ได้เขาคิดว่าทําดีแล้วมันมีแต่ทำดีทําดีทําดีไม่ได้นะมีแต่คนด่าแต่พขาเราจะทำความดีเสอยใหญ่ไม่ใช่คนชมเนี่ยก็เกิดกําลังใจที่ทําความดีมากขึ้นคุณธรรมเนี่ยมัน ปลุกให้มีพลังขึ้นมาตนสามารถจะเอาชนะความมหนื่ตัวนะความเก่งเมล็ดเกเกได้นี่ข้อนหนึ่งนะฮะเราสามารถปลุกพลังความดีได้ด้วยการชมเขาชมด้วยความด้วยใจจริงนะประการต่อมาคือว่าการที่ได้เห็นคนทุกข์ยากคนเราเนี่ยถ้าเราได้เห็นความทุกข์ยากของใครเนะีนะ่ยมันจะมีความรู้สึกนะอยากจะช่วยเขา อาตมาจะยกเป็อยางไปแล้วนะเด็กทารกที่ได้ดีหรือได้เห็นคนเด็กด้วยกันเนี่ยเขาร้องห่บร้องไห้ความดีในใจของเด็กนี่ก็อยากต้องเกิดขึ้นมาได้เด็กจะช่วยเวลาเราเห็นคนเขาทุกอย่างเย่อดร้อนนะไม่ว่าทางภาพข่าวนะทางทางโทรศัพท์เห็นได้ตาเนี่ยมันมีความสุขอยากจะช่วยเขาโดยธรรมชาติเลยนะ โดยหรือแม้แต่ฟังเรื่องราวแต่เดนี้เวลาเราพูดถึงความทุกข์เนี่ยเรามาักจะพูดเป็นสถิติเป็นตัวเลขที่วัวคนตีโคดอดตาย400คนแผ่นดินไหวนะคนฟังแล้วก็เฉยแต่เพียงแค่ได้เห็นเด็กตายจากแผ่นดินไหวเหมือนกับที่เมื่อปีที่แล้วเนี่ยมันมีการถพยพนะมีคนที่ทิ้งเด็กพยพยนะาจากซีเรียเนี่ยมายัางประเทศรีศเนี่ย คนอพยพหลายเป็นคนเนี่ยแล้วมีคนตายในทะเลนเนี่ยตามรายเที่ยมเป็นตัวเลขเนี่ยคนเฉยๆแต่วันดีวันดีดีๆเนี่ยมันมีการถ่ายภาพเด็กคนหนึ่งที่3าสี่ตัวนอนตายอยู่ริมหาดริมชายหาดนะภาพไี่ภาพเดียวนี่นะซึ่งอตาตมาเชื่อว่าแท่ทุกคนใทีมได้เห็นมาแล้วมื่ีทีแล้วมันเปลี่ยนเลยนะมันเปลี่ยนความรู้สึกของผู้คนว่าคนในยุหรอก็จะต้องสนับสนุนให้ คนซีเรียนเนี่ยได้เยอปฏิบัติทยบมาที่ยุโรปนะหาไม่เนี่ยเด็กก็จะตายกันมากคนก็จะตายกันเนยอะแยะความสุขเปลียนได้อย่างไรเพลียนเพรได้เห็นความทุกข์ยากเห็นเด็กตายนะอันนี้มันเป็นธรรมชาติของมนุษย์นะความเดียวของเราความเมตตาตูนานเนี่ยมันจะเบิบบกบานมันจะมันจะมีพลังขึ้นมาทันที เ่อเราเห็นคนทุกคนยากอัตมาเชื่อว่าคลิปวิดีโอหลายคลิปเนี่ยถ้าหากว่าทำให้เห็นคนที่ทุกยากจากสงครามจากแผ่นดินไว้จากทุกพพลภาพคนจากที่โวเนี่ยเราจะรู้สึกอยากจะทําความดีเด็กก็เหมือนกันผู้ใหญ่ก็เช่นเดียวกันแล้ น, นี้คือตัวอย่างนะว่าวิธีการปลุกกระตุ้ ง, งความดีเนี่ย เกิดขึ้นได้อย่างไรเกิดจากการที่ได้เห็นแบบอย่างหรือเห็นคนอยู่ได้ทำความดีนะเกิดจากการที่มีคนอื่นทำความดีกับเราเราก็อยากจะทำความดีกับเขาหรือทำความดีกับผู้อื่นเกิดจากการที่ได้รับความชมเมื่อเราได้ทำความดีเกิดจากการที่เราได้เห็นความคิดของผู้อื่นและการทำความดีนะมันทำมันไม่ให้ดีกับผู้อื่นอย่างเดียวนะมันดีกับเราเอง คนที่ทำความดีเนี่ยนะแม้จะเหนื่อยนะแต่ว่าจะได้รัผลตอบแทนอาจจะไม่ใช่ชื่อเสียงอาจจะไม่ใช่เงินทองมีตัวอย่างมากมายนะของคนที่ทำความดีโดยที่ไม่ได้หวังผลอะไรแต่สุดท้ายเนี่ยความดีนั้นส่งผลกลับมาบางทีใช้เวลานานไม่ใช่แค่วันสองวันบิงสิบปียี่สิบปี นะก็หลายหลายคนเคยดูคลิปวีดีโอเด็กที่ไปขโมยยาเพื่อไปรักษาแม่ที่กำลังเจ็บป่วยแล้วถูกจับได้เสร็จแล้วก็มีเจ้าของร้าน อ, อาหารและก๋วยเตี๋ยวสงสารเด็กก็ช่วยเด็กคนนั้นจ่ายเงินให้กับเจ้าของร้านยาเด็กก็ทราบซึ่ง30สปีต่อมา เจ้าของร้านเกีเ๊ยวนะั้นร้านอาหารเนะี่ยป่วยเป็นโรคเป็นโรคหัวใจต้องใช้เงินผ่าตัดที่มากมายมหาศาลเป็นแสนเป็นล้านลูกสาวเนี่ยม่มีปัญญาจะหาเงินให้แต่สุดท้ายเนี่ยบอกว่าผ่าตัดฟรีไม่ต้องจ่ายเงินเพราะหมอผ่ า, าตัดก็คือเด็กคนนั้นเนี่ี้นี่คืคลิปวิดีโอที่เราอาจจะเคยไ ด, ได้ได้ดูนะ มันแท้เลยนะว่าไอความดีที่ทำเนี่ยมันไม่เคยสูญเปล่านะมันจะส่งผลกรรมมาสู่ตัวเราในที่สุดที่ประเทศศรีลันตานะ่ยเปผู้ชายตรงนู้นเนี่ยนะบ้านเนี่ยเขาอยู่ริมทะเลแล้วก็มันจะตรงริมทะเลทีมวว่มันจะมีว้าวมันจะมีแค่เป็นรางคูนะท้าท้ายเป็ น, น, นะปนแอ่งแอ่งน้ำทะเลสาบเล็กๆ เ, เนี่ยอยู่ลึกออกมา อยู่ล้างพม่าในในแผ่นดิทุกปันใจก็ชอบไปเอาเอาผลไม้เอาขนมปังเอาข้าวเนี่ยไปเลี้ยงปลาทํานี้ไปกิจวัตฉาวันห น, นึ่งเนี่ยมีจระเข้มาแต่แกก็ไม่ลังเกียจ น, นะแกก็ให้นะจระเข้ก็มาทุกวันนะมาแย่งอาหารกปาแกก็ให้คนว่าให้ไปทําไมจระเข้เนี่ยอันตราย แล้ววันหนึ่งนะ26ธันวาคม47นะคนไทยในยเราจาได้26ธันวาคม47เกิดอะไรขึ้นซีเนอรมิมันไม่ได้เกิดซีเนอรมิที่ประเทศเราประเทศเดียวมันเกิดซีเนอรมิที่ศรีลังกาคนตายเยอะกว่า บ, บ้านเราบ้านเราตาย 5,000 นะในศรีลังกาตาย 15,000 เขากำลังวันที่เขากำลังวันวันนั้นเนี่ยนะประากฏว่าคลื่นเนี่ยมันซัดเขา ใครที่กำลังอยู่นอกบ้านเนี่ยพื้นมะพื้นใหญ่เนี่ยนะมันซัดเข้ามาแล้วก็มันก็กระช่าเข้าไปในทะเลนะนี่ธรรมชาติของซ น, นี้ตอนที่พื้นเนี่ยมันกระช่าเข้าไปในทะเลเนี่นะเขาตกใจว่าแล้วก็พยายามคว้าอะไรก็ตามคว้าไม้คว้าอะไรเนี่ยแต่คว้าไม่ได้เลยจนกระทั่งเขาเห็นไม้อยู่แหงนหนุนเนี่ยเขาก็รีบคว้ามันเอาไว้นะบอกว่า เรากความันได้เขาก็ไม่จมนะแล้วก็สังเกตว่าไอ้แผ่นไม้ที่มันแปรนะมันไม่ได้ไหลไปตามทะเล น, นะแต่ว่ามันแล่นมันเลื่อนสวนทางกับกระแสายขึ้นแล้วมันมันดึงเขาเนี่ยขึ้นมาจนถึงผิวน้ำเพรานะรู้ในระดับนงมันคือจระเทศมันคือจระเทศตัวเลวกๆที่เขาให้อาหารทุกวันทุกวัน เขาไม่คิดเลยนะว่า้จะเคที่มันจะช่วยชีวิตเขาไอตอนที่เขาให้อาหารเจะเคเนี่ยไม่ได้คิดว่ามันจะสำเร็จในบุญคุณเขาแต่ว่ามันช่วยชีวิตเขาในวันนั้นนะมันก็น่าแปลกเจะเคเนี่ยมันมีน้ําใจนะมันรื้จากบุญคุณนะของคนที่ให้อาหารมันมันคงไม่ใช่ความบังเอิญนะแต่เจะเคตัวนี้แหละนะที่มันช่วยทําให้เขาเนี่ยรอดตายสุ้อันนี้คือเรื่องความดีที่เราอาจจะไปได้หดีนะ เราทําความดีอะไรก็ตามเนี่ยความดีนั้นย่อมกลับมาส่งผลดีกับเราแต่ความดีนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่นั้นนะความดีเนี่ยมันสามารถจะบวมบรุงตายบำรุใจเราได้ด้วยถึงแม้จะไม่มีใครทําดีกับเราเลยหรือถึงแม้เราจะไม่เราจะลืมไม่ได้ซ้ําว่าเราทําความดีกับใครแต่คุณค่าที่เราทําความดีเนี่ยมันส่งผลดีกับกายและใจของเราด้วยนี่พี่อย่างคนนึ่งเนี่ยแกเป็นไมเกรนแกต้องกินยานะครับไมเกรด้วยหว่า ปวดมากตอนนี้เปคนชวนัะไปเป็นปีตอาสาบ้านปากเกร็ดบ้านปันกแกรเนี่ยนะมีเด็กที่ถูกทอดทิ้งตั้งแต่3เดือนจนถึงเก้าป่วยเป็นร้อยที่เลี้ยงไม่พอต้องการปีติอาสาเนี่ยไปช่วยนะอาทิตย์ละ2วัน ก็ม like ีคุณเนี่ยจะไปเป็นเจิตอาสาให้กับไปเป็นที่เลี้ยงให้จับเด็กอาทิตย์ละสองวันแกทานอยู่ลสองสามอาทิตย์วันนึ่งแกระฉุดคิดขึ้นมาว่าแกเลี้ยงกินยาแกกินยารับปวดทุกวันแต่ว่าหลักการที่จะเป็นจิตอาสาเนี่ยแกเลี้ยงกินยาทำไมแกเลี้ยงกินยาเพราะไม่ปวดทำไมแกไม่ปวดเนะ เพการมีความสุขการเลี้ยงเด็กการมีความสุขการเตืนที่เลี้ยงเด็กดีที่มันหายปวดนะคนเราเนี่ยวเวลาทําความดีนนะมันจะมีสารบางอย่างที่หลั่งออกมานะีจะเรียกว่าโดพามีนก็ตามจะเรียกว่าเอ็นโดฟีนก็ ต, ตามเนี่ยความดีที่เกิดที่เราทำเนี่ยนะโดยเฉพาะกับคนที่พัฒุกุญแจเนี่ยมันทําให้เกิดสารบางตัวที่หลั่งออกมาและมันช่วยระงับปวดได้แค ปหลาดใจมากเลยนะเพราะทีแรกที่ว่าจะไปช่วยเด็กที่ให้เด็กช่วยเขามีเพียงคนนึ่งเนี่ยจะพบแกเป็นติเชตชายีจากสามีนางสาวอยู่ที่สุดกว่าการที่เธอจะโกรธสามีนะที่เอาเชื่อมาให้เธอก็ไม่โกรธสามีสามีป่วยเธอก็ดูแลสามีจน ต, ตายเธอเป็นแม่ๆ พอเป็แม่ไม้เสร็จนะเธอก็นึกถึงคนที่ประสบชะตากรรมเดียวกับเธอแม่ไม้ที่ผัวตายเขาไ้เสียดี<ๆ>เธอก็ไปช่วยเหลือแม่ไม้ลบบนี้ไปเป็นจิตอาสาช่วยเหลือตอนหลังก็ไปเป็นวะิทยากรนะช่วยให้ความรู้กับเด็กมัธยมกับเยาวชนเพื่อว่าจะได้รู้จักการเพื่อสัมผัสที่ปลอดภัยจะได้ไม่มีเชือ่อตอนหลังแกก็ขยายไปเป็นทํางานเรื่องการพัฒนาชุมชน ให้คนเนี่ยดยเพราะผู้หญิงเนี่ยเขามีการศึกษาเขามีช่องทางในการทํามากินจะได้ไม่เป็นโสเภณีเธอก็เริ่มทำงานโณาชวนเชิญเธอทํามาอย่างต่อเ น, นื่อนะงจนทําเป็นได้รับเชิญเป็นพิยากรนะตามที่ต่างๆได้รับเชิญมาไปออกรายการโทรทัศเธอทํางานม7สิบเจ็ดสิบยีมม่สิแล้วปราะว่าเธอไม่เจ็บไม่ป่วยทั้งๆที่ ไม่ได้กินยาต้านเชื้อเลยนะทํางานที่สุ0ปีเนี่ยมีคนถามเธอว่าพี่ทํางานเยอะๆเนี่ยที่ไม่กลัวป่วยเลยที่จริงเขาอาจะอยากจะถามตร ง, งๆมากกว่าพี่ทํำงานเยอะๆนี่พี่มีคนตา ย, ยนะเพราะเธอยมีเชื้อเธอตอบที่เธอบอกว่าถ้าเธอถ้าใช้ยิี่เปนตัวเลยเนี่ยฉันป่วยไปลาแล้วนะการที่เธอเนี่ยนะ ช่วยเหลือเพ่เฟือเพคนผู้อื่น เ, เ, เ, เ, เนี่ยนะมันมีผลต่อสุขภาพของเธออาจจะเป็นผลที่มาจากการที่เธอทำเรื่อความสุขความดีความสุขมันใจางามมากทาดีแล้วเกิดสุขเพราะเกิดความสุขใจเนี่ยนะมันก็คงส่งผลทีทํำให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายเธอดีขึ้นก็สามารถจะคูมเชื้อไว้ได้นี่เป็นตัวอย่างนี่วนะ่า เมื่อเราทําความดีแล้วเนี่ยผลดีมันกลับมาที่เราถ้าหที่เราไม่ได้เจตนาไม่ได้ตั้งใจเลยแต่มื่แต่เมื่อเราทำาาาแ ล, นนแล้นความดีนั้นส่งผลทําให้สุขภาพเราดีอันนี้เราเป็นผลดีต่อกายแด้เป็นผลดีต่อใจด้วยไงก็คือทาให้มีความสุขใจหลายคนก็เรคิดว่าจิตใจเกเรน้องได้เป็ น, น, นอาสาบ้านคาเตะในการที่14บี่ี น้องได้เนี่ยเดิมเนี่ยเป็นคนที่หุนพลเอาแต่อารมณ์นะพอไปเป็นจิตอาสาแค่สองสามเดือนนัแม่บอกว่าน้องได้เปลี่ยนไปน้องได้ศึกษามากขึ้นนะน้องได้ฟังขงหยูมากขึ้นแต่ก่อนเอาแต่อารมณ์ตอนนี้ใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์เจ้า ต, ตัวรู้สึกความเปลีป่ยนแปลง แล้วถ้าใครมีนความเดินใจนี้เนี่ยต้มาช่วยมีความสุขได้ง่ายขึ้นมันเป็นคนวามเกิดมาที่ใจใจเย็นขึ้นนักธุรกีจคนหนึ่งชื่อโกะนะอายุ40ก็เป็นิตอาสาที่บ้าก ข, ขัดเกลื่อนตะกอนสามารถกลับขึ้กับกับพึ่น้องไดีใช้จะเรียวกว่าเจ้าอารมณ์ชอบวุ่วายใส่พึ่น้องแต่พอเป็นจิตอาสาเนี่ใจเย็นแกบอกวยในตะก อ, อ น, นผมเคยผมคิดแต่ว่า ผมเนี่ยคือสูนกลางของทุกสิ่งแต่พอมาทํา ง, งานกับเด็กเนี่ยจะบอกว่าเนี่ยผมรู้สึโลกมันกว้างขึ้นใจเย็ยนขึ้นทุ่มนวนขึ้นพูดกับลูกน้องสุภาพมากขึ้นความสัมพันธ์กับลูกน้องดีขึ้นไม่ใช่แต่เพรานั้นนะความสําพักับแม่ก็คล้อยดีขึ้นเลเพราะว่าเรื่องเข้าใจแม่แต่ก่อนแกเป็นอารมณ์ร้าย ก็เลยมีเรื่องพะเลาะเบา้งกับแม่เป็นปรการแต่พอมาถึมากระเด็กเนี่ยจิตใจใจเย็มมนมากขึ้นพนมากขึ้นเข้าใจคนมากขึ้นก็เข้าใจแน่ที่เคยเหินหางจากแม่ก็ไปเยี่ยมแม่บอ่อยขึ้นความเข้ามาของแม่ดีขึ้นอันนี้ก็เป็นผลของความดีนะความดีเนี่ยมันมาเปลี่ยนแปลงใจเราเราทำดีกับผู้อื่นอยากจะช่วยเา้าแต่มันกลับมาช่วยเราเองนะทำให้จิตใจเราสงบเย็น และทำให้ความสามัมพัของเรากับคนอื่นดีขึ้นผู้จ่าจัดว่าผู้ให้ความสุขย่อมได้รับความสุขเมื่อเราเมื่อเราทำความดีคือเรากาลังให้ความสุขกับผู้อื่นสิ่งที่เราทำนี่มันไม่ได้ย้อนไปไหนมันกลับมันไม่ได้ไปไหนมันย้อนกลับมาที่ตัวเราแม่จะไม่มีใครทาดีกับเราเลยหรือว่าเรารู้ไปโดยซ้าว่าเรา เคยทำเป็นความดีกัใครแต่ว่าความดีที่เราทำเนี่ยมันมาทำให้กายและใจขอเราดีขึ้นความดีกับความสุขเราไมบอกเหมือนใกล้เคียงกั น, กนเมื่อเราทำความดีเรามีความสุขและในเวลาเดียวกันเมื่อเราทำความสุข เ, เมื่อเรามีความสุขเราก็ง่ายที่เราจะทำความดีกับผู้อื่นแต่แล้วก็ตามเนี่ยเราก็ คบแดนนย่าว่าทุกวันนี้เนี่ยผู้คนเนี่ยทำไมมันไม่ค่อยมีฝากเอืเฟื้อเอื้อเือต่อการและก็ยกแ ย, ยจจ่จว่าอาตมาบอกว่านคนเรามีความดีมีคุณธรรมตั้งใจกเกิดถ้าทำไมสมงังคมผู้คนรอบข้าง น, นถึงหาคนดีหรือมีน้นใจได้ยากอาตมาเชื่อมันมหนีหลายเหตุนคนนะซึ่งอาตมาเชื่อว่าน่าจะ น่าจะศึกษาให้ถุยชีวิตที่เริงรื่นเนี่ยมันก็มีผลที่ทําให้ผู้คนเนี่ยคิดถึงตัวเองมากขึ้นนะมันถ้าเปิดหอวกระตัวเนี่ยคือมันเปิดชั้นนอกของใจเนะี่ยมันหนาขึ้นชีวิตที่เริงรื่อนมันมีผลมากเขาเคยมีนักเตคนนึ่งชื่อดานิเอลโกแมนแกเป็นคนเขาจะเป็นค น, คนที่คําว่า eq เนี่ย แกเล่าว่าเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยออกจากสถานีรถไฟใต้ดินแห่งหนึ่งในกรุงยุนยอเป็นผู้ชายมันเป็นลมเสื้อผ้าก็ไม่ใส่นะเสื้อไม่ใส่นะนอนหมดสภาพผู้คนเนี่ยเป็นร้อยเป็นพันเดินผ่านไม่สนใจบางคนเดินข้ามตัวเันเลย สภาพแบบนี้เนี่ยเราคงเห็นบ่อยนากทางในกรุงเทพเนี่ยบางคนเป็นลมแต่ผู้คนไ ม, ม่สนใจม่อนดังขังสอบเทินผ่านเดนเน่กเมร์เบอกว่าถ้แกผู้ชายคนนั้นเนี่ยแกลงแกย่อตัวลงไปดูว่าผู้ชายคนนั้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นปรากว่าพอเดนเน่โกเมรเนี่ยย่อตัวลงไปเนี่ยดูผู้ชายเนี่ยก็จะมีคนที่สองคนที่สามเนี่ยลงมา มาดูมาช่วยคนที่เคยเดินหานจะผวานให้หย็ดเัยนะบางคนเริ่มหยดแล้แล้วก็เราไปเรียบเรียบไปหาหน้ามาให้ไปหาไปหาภาพดอกมาให้นะบางคนก็ไปที่ไปช่วยเด้กําตำรวจนี้แสดงว่าแสงของทุกคนเนี่ยธรรมชาติทุกคนมีน้ำใจแต่ว่าความเร่งรีบของชีิตชีมันทาให้เราไม่ค่อยสนใจเราเพราะเราคิดว่าเราต้องรีบไปทางนาน เราคิดแต่ตัวเองจงทั้งเราลืมรู้จักคนอื่นแต่ทัน ท, ที่มีคนคนหนึงเนี่ยหยุดช่วยเหลือเนี่ยคนที่เหลือเนี่ยจะรู้สึกว่าตัวเองดีจะรู้สึกว่าตัวเองเดิ น, ดนต่อไปไม่ได้นะต้องหยุดต้องช่วยเขาอันนี้ก็อาจจะสอดคล้องเข้ามาพูดกันแล้วคนเราเนี่ยเริ่มมีความเริ่มคนเราจะรู้สึกว่าความดีมันจะรับการกระตุน้นเนมื่อเราเห็นคนอื่นทาความดีเราก็อยากทําความดีบ้าง แต่ที่ผู้คนนี้เราไม่ทำความดีแล้วเพราะว่าขึ้นมาเร่งรีบนะแล้วก็ยิ่งเราอ่ยิ่งมีคนเยอะๆเนี่ยมันยิง่งมีข้าออ้างที่จะไม่ทำความดีเขาเคยมีการทดลองนะในห้องห้องนึงเนี่ยมีผู้ชายคนนึงแจ้งเป็ น, น, ปนลง บ, บ้างแล้วก็ให้อาสาสวัรเนี่ย มาอยู่ในห้องข้างๆโดยที่อาสมัรนั้นไม่รู้นะว่าจะเกิด อ, อะไรขึ้นพอเขาได้ยินเสียงคนในห้องข้างๆเป็นลมบ้างหยูเนี่ย 80% จะออกไปช่วยคนที่เขาคิดว่าเป็นลมบ้างแต่ถ้าในห้องแต่ถ้าคนคนนั้นเนี่ย ถ้าติดอาสาเนี่ยถ้าเป็นอาสาสมัครคนนั้นเนี่ยอยู่กันหลายคนเช่นอยู่มาสักห้าคนเนี่ยเมื่อได้ยินคนไปตดงบ้ามืออยู่ห้องติดกันเนี่ยคนที่จะไปช่วยจะเหลือน้อยหลยหรือแค่สาสิบกว่าซถ้าอยู่คนเดียวนะแปดห้าเปอร์เซจะไปช่วยแต่ถ้าอยู่หลายคนเนี่ย จะเหลือแค่ 35% ที่ไปช่วยเพราะอะไรนะมีการทดลองหลายครั้งนะบางทีก็จุดไฟนะี่แล้วก็ถ้าเกิดว่ามีคนเดินผ่านมาแล้วเห็นไฟในห้องนะถ้าเดินผ่านคนเดียวนะ 75% จะไปรีบแก้เจ้าหน้าที่แต่ถ้าดูเดินผ่านกัหลายคนเดินผ่านในกลุ่ม 35% ห้ารหรือว่าสสเพราะอะไรคนเราในเวลาเวลาเราเห็นปัญหาเวลาเราเห็นทุกคนยากเนี่ยถ้าเราอยู่คนเดียวเนี่ยเรารู้สึกแล้วว่าเราต้องช่วยแต่ถ้าเราอยู่กันหลายคนเนี่ยทำไมถึงไม่ช่วยทำไมถึงเดิน่าเหตุผลหนึงก็คือว่าเพราะว่า ต่างฝ่ายต่างโยนกองกันมึงช่วยหรือยู่คนที่ว่ามึงช่วยกันนะเรารู้สึกว่าเราสามารถจะโยนกองกันได้เราสิดว่าถึงเราไม่ช่ว ย, วยก็มีคนอื่นช่วยถึงฉันไะม่ทําก็มีคนอื่นทำนะอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในมูลใหญ่นะเวลามีคนทุกคนยากคนที่เหตุการณ์เขาเดินผ่านเขาไม่ช่วยไม่ใช่ก็ไม่มีน้ำใจนะ แต่ว่าให้ความมีน้ำใจไม้มาถูกกดถูกกดถูกกดทับด้วยความเป็นตัวด้วยกับการที่เรามีข้ออ้าเรามีทางเลี่ยงเวลาขึ้นรถไฟฟ้ารถเมเนี่ยมีคนแก่ขึ้นแล้วก็ยืนหรือบางทีก็มีคนผู้หญิงท้องต้องยืนคนที่นั่งอยู่เนี่ย จะทำยังไงมีบางคนก็ลุกให้แต่ถ้าไม่ลุกให้ทำไงก็แกงกลมหน้าอ่านหนังสือหรือว่ากินมายุ่งมากก็มองไปท้องนองมาต่านก็ทำนั่นทอนี่เพราะเขาสูตว่ากัเขาเนี่ยถามไปเห็นคนแก่คนท้องอยู่ยยเนี่ยข้างในใกายมโนธรรมเนี่ยมันจะเรียกรอยเอดท้องช่วยเช่นลุก แต่วัตถุก้อนแค่ตัวเนี่ยมันก็มีวิธีที่จะทําให้คุณธรรมเนี่ยอ่อนพลังด้วยการทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นมองไปนอกหน้าตา่างอ่านหนังสือหรือแก้งหลับนะ ห, หรือถ้าอยู่กันหลายคนก็โยนกองไปโยนกองมันามาอันนี้คือสิ่งที่ทําให้เป็นวัสดุของการถูกพลังความดนะีชีวิตที่เร่งรีบนะหรือว่าการที่เราอยู่กันเป็นกลุ่มใหญ่ มันก็ทําให้เราเนี่ยดิ้กเลี่ยงที่จะช่วยบอกปรับความให้ผิดชอบของเราสิ่งแวดล้อมอีกส่วนสิ่งวดล้อที่กระตุ้นเราเป็นเร่งรีบสิ่งแวดล้อที่กระตุนนะต้นให้เราที่เพียงแต่ตัวเองหรือว่าการที่อยู่บนฝูงใหญ่ๆใ น, นความการการที่คนเราจะแสดงความดีต่อกันเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่คุณธรรมอย่างเดียว มีคุณธรรมแต่ถ้าสิ่งทีเราไม่ไม่อานวยเนี่ยความดีก็จะแผ่วเบาและจะมีพลังน้อยความกักาตัวก็จะมีพลังมากเพราะนั้นเนี่ยเวลาเราจะเวลาเราอยากจะเห็นคนทำความดีเนี่ยสิ่งที่ร้อนสําคัั้งฝรั่งก็แปลกใจนะคนไทยในยเวลาเวลาครเวลาหลายคนที่คนจะเรียกมเนี่ย มีน้ำใจมีเพื่อเพื่อแต่พอขึ้นรถนิสัยเปลี่ยนเะลกิ ร, ริยามารยาทเปลี่ยนอยาบคายมากขึ้นปากหน้ากดแตรดา่านะหรือว่ากระแทกคำไม่ถอดเป็นอย่างนั้นข ล, ลังเลยนะให้คนไทยที่เราพบ ก, กันเนี่ยนิสยัยดีเลยแต่พอนั่งรถเนี่ยนิสัยเปลี่ยน แต่ผลก็อจะเป็นเพราะว่าเขาดีกับคนที่รู้จักแต่ถ้าไม่รู้จักก็ไม่ดีด้วยอีกหน่คนหนึงก็เพราะว่าเวลาอยู่ในรถเนี่ยคนอื่นไม่รู้ว่าเราเป็นใครเวลาอยู่ต่อหน้าต่อตาเนี่ยเราทําเราไม่กล้าที่จะด่าล้วไม่กล้าที่จะใช้คํำจาเราไม่กล้าที่จะหยิบยตัวเพราะว่าคนที่อยู่กับข้างๆเราอยู่ต่อหน้าเราเขารู้ว่าเราเป็นใครแต่เราอยู่ในรถเนี่ยเราเป็นโนบอ o ี้เราเป็นใครก็ได้ที่ไม่มีคนรู้จัก คนทุนกต่อไม่เห็นเราเพราะนั้นเนี่ยเราก็สว่าเรามีสละที่จะทำะในราามความต่างใจซึ่งนการควมเป็ น, นตัวแล้วก็ชีวิตหรือว่าระ ก, กติกาในในรถในถนนเนี่ยกรเทพเนี่ยมันก็เอื้อต่อ เ, เ็นกตัวได้มากขึ้นงนั้นคุณธรามขอคนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมด้วยนั่นหมายความว่าถ้าเราต้องการได้คนเนี่ยนะ มีความดีถ้าเราสร้างพลังความดีขึ้นมาในใจนี่เราต้องสร้างสินและล้อเพื่อผลด้วยขึ้นอะันนี้เป็นเรื่องใหญ่แต่มันมีความสําคัญมากในอังกฤเนี่ยก็เคยมีการทดลองอย่างนะ่ะมันมีย่านฝนจนเนี่ยอยู่สองย่านไกลๆกลันค่ะประมาณสองกิโลเมตเขาเลือกเอาอย่านเนี่ยหนึ่งในสองนั้นเนี่ย มีการปลูกต้นไม้เก็บขยะทำความสะอาดป้ายผิด ป, ป้ายที่แตกไฟจราจรที่แตกเขก็ซ่อมให้มันดีลบรอยขีดเขียน่ารกระจายเพื่อกกับทิศที่พยายามทำให้ชุมชนได้เป็นชุมชนที่สะอาดเรียบร้อยไม่สกปกล บ, บ, บลุงรังเขาทำเงียบๆไม่บอกใคร เป็นเวลาหนึ่งทีปรากฏว่าอาจจะทําในยานนี้นลดลงไป 50% ไอ้ย่านที่เขาเปรียบเทียบกันที่นี้ซึ่มันคล้ายกันมาแล้วถึงใกล้กั น, นแค่สองกิโลเนี่ยอ า, ากาศความก็จะลดลงนะแต่ยานที่เขาจับสิ่งมลพิา ม, มันดีเนี่ยเอาใจใส่ไม่ให้มีกระจกแตกซ่องสัญญาภัยจราจรแตกซ่องดูแลเก็บขยะ อาจจะกรรลดลง 50% ถ้าที่ยังไม่ได้นิมนต์พาไปเทนะไม่ได้นิมนต์พาไปารับสินค้าไม่มีการลงลงว่ามันดีนหรือไม่แค่ปรับสินาค้าดีเนี่ยอาจจะกรรมนลดลง 50% มันเทียได้รับสินค้าเราสําคัญถ้า เ, าเราได้ปลูกพลังความดีเนี่ยยิ่งเราต้องการทำให้ความความดีเนี่ยมันแค่กระจายทัประเทศเนี่ยสำคัญม ใ น, ในพระไตรปิฎกเนี่ยมีเรื่องเลานว่าเมืองเมืองหนึ่งเนี่ยโจรอาจจะคนเยอะมากพระราชาเนี่ยรึกษาปุโรหิตก็จะทําอย่างไรใจพระราชาเนี่ยบอกว่าจะต้องมีการเพิ่มโทษให้รุนแรขึ้นติดคุกให้นานขึ้ น, นทรมานให้มากขึ้นทให้ความทารมานเลิกม่ร้ผิดนะได้ต้องประหารชีวิตปุโรหิตบอกว่าวิธีนี้ทําให้คนเนี่ย เป็นอาจายากรมากขึ้นแล้วมันจะปอเข้ารูแรงมากขึ้นมันจะค่าเจ้าเจ้าสกายมากขึ้นบริสุทธิ์เนอว่าให้กระจายให้แบ่งพันมเมล็ดพันธุ์เนี่ยให้กับเกษตรก ร, ร, กรให้ทั่วถึงเจ้าเกษตรกรเนี่ยให้ใหเล็ดเมล็ดพันธุ์ กับพ่อค้าให้เงินเป็นคุนทำค้าขายและข้าราชการก็ให้เกียวติวัดนะให้เงนเดือนนะสมัยนั้นคือไม่ใช่เป็นเงเดือนนะแต่ว่าให้ให้มีรายได้นะขอบเงยงและปุโรหิตบอกว่าถ้าทำนี้เนี่ยโจรจะน้อยลงพระราชาเชื่อนะก็เลยทาตามแจกเมล็ดพันให้กับเกษตรกรแจกนั้นคุณเป็น ให้กับพ่อค้าจ่ายเยียวยาให้กับราช ก, การเพราะว่าโจรขโมยลดลงอัจญากรณ น, น้อยลงไม่ต้องถึงบ้านเด็กก็ซ้อนน้ำอยู่ในหัวของแม่อันนี้จะว่าไปก็คือการกระจายโทรศัพท์เป็นการจัดสรรสินว่าร้อที่ทําให้มีความยากจนน้อยลงมันมีผล น, นะฮะสองคนใดเนี่ยที่มีความยากจนหรือมีความเหลื่อมล้ํา มากคุณนเนี่ยโจรผู้รา ย, ยมากขึ้นมีการศึกษาวิจัยพบมีการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบระหว่างสังค ม, มหรือประเทศที่ร่ารวยประเทศที่พัฒนาแล้วทั้งในอเมริกายุโรปและเอ เ, เชียตัวเรื่องที่น่าสนใจที่บอกว่าสังคมใดที่มีความเหลือล่อมล้ำทางสังคมเศรษฐกิจมากเนี่ยโจรผู้ร้ายนักโษทษได้ทุกจางหวัสังคมใดที่มีความเหลือล่อมล้ำทางเศรษฐน้อย นักโ้นในทนะุกจะน้อยญี่ปุ่นเนี่ยนะซึ่งเป็นสังคมที่มีความหนุนร่างฐานเศรษฐกษิจน้อยนะจนผู้ร่ายาน้อยตัวเลขสูงสุดคืออะไรสิงคโปร์สิงคโปร์เนี่ยรวยไม่ต่างจากญี่ปุ่นนะแต่มีคว่าหนุนร่างฐานเศรษฐกษิจมากกว่าลองจากสิงคโปร์คืออังกฤษตุกเฝกรั่งเศส ส่วนที่มีความเหลือ่อมล้ำเศรษฐกิจน้อยและมีจนทุ้ไร้น้อยอยู่ก็สูงต่ำสูงคือที่ญี่ปุ่นนะรองลงมาคือสเปนนอร์เวย์ฟินแลนด์เดนมาร์กเขาใช้เขาไปวิจัยเปรียบเทียบกัในรัฐต่งางๆในอเมริกาก็พบเหตุผลเนี่ยก็พบกรากการณ์ที่ว่ารัฐทีมีความเหลือ่อมล้าสูงเนี่ยโจนทูน้ราเยอ นักโทษเยอะรัฐ ท, ท, กกนะที่มีความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจน้อยนี่ับโทษในกรุ๊ปก็น้อยรุอยเซน่าเนี่ยมีความเหลื่อมล้ทางเศรษฐกิจสูงมากนักโทษเยอะมิในโตต้าเนี่ยมีความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจน้อยนักโทษก็น้อยนั่นคือมันกระช่เลยนะว่าการที่คนเราจะเป็นคนดี ไม่เป็นอาญากรไม่ลับขโมยไม่ทาชั่วเนี่ยมันสัมพันธ์กับสังคมด้วยมันไม่เพียงแต่เราไปเทศนาสั่งสอนอย่างเดียวแต่เรางทำให้สังคมเนี่ยมันเป็นสังคมที่มีความมลับน้อยเป็นสังคมที่กระตุ้นพลังความดีขึ้มนมในใจอาตมาไม่ได้เวล่จะอธิบายมาแต่ก็ที่ว่าเมื่อเราต้องการจะ ป, ปลุกพลงความดีเนี่ย นอกจากการทำความดีต่อกันและการการทำให้คนได้เห็นความผู้ของผู้อื่นมากขึ้นนะหรือว่าการที่เรามีพฤติกรรมที่ดีต่อกันแล้วเนี่ยการทําให้หลายคนถึงว่าร่องที่ดีเพื่อกูเราก็ทําให้ปลุกกลาความดีขึ้นมาในใจผู้คนได้แล้วเมื่อเราทําความดีลเรามีความสุขนะความดีไม่ทําให้ขาดคุณนะและความดีจะหมายถึงการเสียเงิน สมัยเชิดอาจาย์พทอยู่เนี่ยนะมันมีศิลปินคนหนึ่งนะเจตนาดีอยากจะทำเทสมักเพลงสมักนะก็อสา์แต่งเพลงแล้วก็ไปเชิญศิลปินมาร้องไปจ้างมือดนตรีนะมาบรรเลงแล้วก็ออกเป็นเพศงบกว่าขายไม่ดีขาดทุนขาดทุนมากเลยก็มาตัดขับอาจารย์พุทธทาส ว่าทำดีแล้วขาดคุณพระเจ้าพุทธาบอกว่าในการทำความดีเนี่ยไม่มีคำ ว, ว่าขาดคุณโอเคเงินอาจจะได้น้อยนะแต่มันได้ามาแทนที่ไม่ใช่แค่ได้บุญมันได้ความสุขด้วยถ้าวางใจเป็นทำดีทำไม้เกิดสุขและสุขทำให้เกิดความดีและแต่ไม่เชื่อเลยนะว่ามั่นใจเลยนะถ้าเราต้องการมีความสุขง่าจริงนะต้องทำความดี ถ้าเราปรารถนาความสุขเราไปคิดว่ามีเงินเยอะแล้วเงินจะทำให้เรามีความสุขมีสิ่งส่วนเพิ่มมีสิ่งมีความสะดวกมีรถคันใหม่มีบ้านหลังใหญ่มันก็สุขแต่เป็นโชคราภแต่ไม่ยาวความสุขที่แท้จริงไม่ได้เกิดความที่เกิดจากการได้กานในอเมริกาเนี่ยเขาเคยไปสอบถามความเห็นความรู้สึกของคนที่ถูกลอตเตอรี่ ราันที่หนึ่งในในการมีทั้งสลากทิปแบ่งสลากทิปลวกเพราะสอบทั้งเป็นพันคนนะแล้วก็เพราะว่าความสุขของคนที่ได้ถูกรักตตะี่เนี่ยบางคนเป็นร้อยล้านบางคนนี่เป็นพันล้านความสุขของเขาเนี่ยมันอยู่ได้ไม่เกินหเดือนความสุ้การที่ได้โชคได้ลานได้ทรัพย์เนี่ยมันมีอายุไปกินกเดือน หลังจากได้ความสุขที่เคยมีก็จกแคอยลดระดับลงจนเป็นความเป็นมือความสุขเท่ากับความฝัน ข, ของอิตาลีความสุขหน้าจะได้เกิดการได้การมีการเสร็จแต่เกิดกากการหนือว่าการทำความดีและถ้าเราทำดีแล้วถลมทวนระวังใจเป็นจะเป็ น, ปนสุดยังด่งยืนสุขทั้งเวลาทมหลังทำสูงแม้กระทั่งเวลาใกล้ตายาตายวเนี่นนยดมันไม่ไเกิดสุขในเวลาสิ้นชี นั้นการทำความดีเนี่ยหรือบุญเนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่จะเป็นหลักการแหงความสุขแท้จริงนั้นถ้าเราอยากสร้างสุขแก่จิตใจชื่อเอวเนี่ยต้องทำความดีนะเพื่อเพื่อเพแกเพื่อกูญอธมาก็ใช้เวลาพอสมควรแล้วก็ขอยุติดนะจารบรรยายแต่เียงเท่านี้ขอเจริญพร